อัลลอฮฺมูห์ห์มัด ح ي ล ا ฮฺอาลัยดัลลอฮฺอาลัยนัลลอฮฺอาลัยอัลลอฮฺอาลัยอัลลอฮฺอาลััลลอฮฺอาลัยอัลลอฮฺอาลัยอัลลอฮฺอาลัยอัลลอฮฺาลัยอัลลอฮฺอาลัยอัลลอฮฺอาลัยอัลลอฮฺอาลัยอัลลอฮฺอาลัยอัลลอฮฺอาลัยอัลลอฮฺอาลัยอัลลอฮฺอาลัยอัลลอฮฺอาลอัลลอฮอาลออา ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันศุกร์และก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในรอบสัปดาห์ก็วันอีดของสัปดาห์แต่ก็ด้วยกับสถานการณ์ที่แพร่ระบาดของโรคโควิดก็ทำให้หลายๆมัสยิดไม่สามารถที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะละหมาดยุมะได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบททดสอบของลอสุบฮานอวตาลา ที่ได้ทดสอบมุสลิมทั่วโลกและคนที่ไม่ใช่มุสลิมให้ประสบกับรูกรายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นบททดสอบจากลอสุบฮ า, า, าลาห์ท่าร่าที่เราจำเป็นจะต้องอยู่กับการทดสอบนี้และก็จะต้องอดทนกับสิ่งที่มาประสบเหล่านี้ซึ่งก็เมื่อวานเราก็ได้ทำการอธิบายสูรานะเบะซึ่ง เหมือนที่ทราบกันดีแล้วในยุสอัมานั้นในสุรสั่งต่างๆมักจะกล่าวถึงเรื่องราวในเรื่องของหลักความเชื่อในเรื่องของการฟุ้กันชีพในเรื่องของสวรรค์ในเรื่องของนรกในเรื่องของบทลงโทษต่างๆของคนที่ปฏิเสธซึ่งเราก็ได้เล่าเรื่องราวของบรรดาผู้ที่ เมื่อได้ยินข่าวคราวการนาเสนอการนําเรื่องราวของท่านอับดุมฮัมหมัดสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิสแลมมาบอกเกี่ยวกับวันฟื้ น, ฟ น, ฟ น, ฟนคืนชีพซึ่งพวกเขาก็เราก็ได้กล่าวไว้ในอยาได้ว่าอัมมาเยจัตสอาลูนพวกเขาทางถามถึงอะไรกันอานินนาบัอินอัลซิมถามถึงข่าวคราวที่ยิ่งใหญ่อัลละดีฮุมฟีฮิมุคตาลิฟูล ซึ่งข่าวคราวที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆที่พวกเขาเพิ่งจะได้ยินวา่าคนเรานั้นเมื่อเกิดมาในโลกใบนี้จะต้องเสียชีวิตและจะต้องฟืน้นกินชีพขึ้นมาเพื่อที่จะามารับผลตอบแทนในการกระทาในโลกนี้ก็เกิดการตกเถียงว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าคนเราเนี่ยจะฟืน้นกินชีพขึ้นมาอีกก็ตกลงก็มีคนสกลุ่มกลุ่มนึงก็อิมานเชื่อต่อ ตัวของท่านอับดมลเบบีซอลลัลลอฮุวะซัลลัลมอีกกลุ่มหนึ่งก็ปฏิเสธเมื่อเป็นเช่นนั้นอัลลอฮ์ก็ได้บอกว่าสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธนั้นแน่นอนเขาจะต้องพบเจอกับมันอย่างแน่นอนก็คือในหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วและก็เขาจะต้องฟื้นคื้นชีพมาในวันเกียรติ์มาซึ่งเมื่อวนันเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็พยายามที่จะนําอายะที่ทจะไม่มนุษย์เราคิดไข้ครวญใน ในสัญญาณต่า ง, างๆหรือในคุณได้รับความสามารถขอราเตีย้ยรอดใสร้างโลกใบนี้ตั้งแต่พระองค์ให้มนุษย์พิจารณาพื้นดินที่เขาอยู่อาศัยว่าพระองค์ได้ทําให้ราบเรียบอ่ามันเป็นเนื้อมัดมันเป็นความปลดปลานที่เรามมีพื้นดินที่ราบเรียบเราได้ใช้ชีวิตได้อาศัยได้เพาะปลูกอลลอยได้ให้เราพิ้งเคาะเรื่องของคารนอนว่าประโยชน์ของคารนอนเนี่ยมันมีอะไรบ้าง เราองค์ได้บอกว่าการทําไมออลล์ถึงให้มนุษย์เราได้นอนก็เพื่อเป็นการพักผ่อนถ้าเกิดว่าเราองค์นั้นให้มนุษย์เราเนี่ยไม่นอนแน่นอนร่างกายก็จะทํางานแล้วก็ได้ประสบกับความอ่อนล้าซึ่งในเรื่องของการนอนเนี่ยได้มีการทดสอบาจากนักวิทยาศาสตร์ถึงผลเสียของการอดนอนซึ่งเขาได้นําสุนัขมาสองตัวทําการทดลองซึ่งตัวหนึ่งก็ จบมาขังกลงไว้ตัวหนึ่งให้กินอาหารแต่ว่าไม่ให้นอนอีกตัวหนึ่งก็คือให้นอนแต่ว่าไม่มีอาหารให้กินผลสรุปออกมาก็คือสุนัขตัวที่ได้กินอาหารแต่ไม่ได้นอนนั้นเสียชีวิตก่อนสุนัขตัวที่ได้นอนแต่ไม่ได้กินอาหารซึ่งนี้ใช่เนว่ากการนอนเนี่ยถ้าคนเราขาด การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอแน่นอนอเป็นการทำให้ร่างกายหรือชีวิตของเราสั้นลงยิ่งกว่าการขาดอาหารเสียอีกซึ่งตรงนี้เราก็ได้เห็นได้ว่าสิ่งที่เรได้พูดถึงมันเป็นเนื้หมัดหรือมันเป็นความปลดปลันหรื อ, อคนเราอีกหลายคนที่ว่านอนไม่หลับก็คงจะรู้ถึงผลลัพธ์ว่าเออการ น, นอนไม่หลับเนี่ยมีผลเสียอย่างไรแลวก็พระองค์ก็ได้บอกว่า พระองค์เนี่ยให้มีกลางคืนขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเวลาที่มนุษย์เราได้พักผ่อนและพระองค์ก็ได้กล่าวว่าในอายะต่อมาอัลลอฮ์ทรงเจาได้กล่าวว่าหัวใบั้หัวใบนั้นานฟ้าก็กลุ่มสบันชิดาดาและเราได้สร้างไว้อยู่เหนือพวกเจ้าก็คืออยู่กลางบนสิ่งแข็งแรงทั้งจิสิ่งแข็งแรงทั้งจิที่ว่านี้ก็คือชั้นฟ้าทั้งจิตนั่นเองเราบอกว่า พระองค์เนี่ยได้สร้างฟ้ามามีถึงเจ็ดชั้นซึ่งจากรยานตัวนี้ทําให้เราได้มีความรู้ว่าฟ้าที่อยู่บนเราเนี่ยมีถึงเจ็ดชั้นแล้วก็เมื่อพระองค์ได้สร้างต้องฟ้ามาเนี่ยพระองค์ก็ได้สร้างสิ่งหนึ่งมาด้วยวายันนาซิโรโยวะไหยะและเราได้ให้มีดวงประทีปหนึ่งที่มีแสงสว่างจ้าในยานี่เราบอกว่าพระองค์ได้ให้มี บน้องฟ้าเนี่ยมีดวงประทีปก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองที่มีแสงสว่างของมันเนี่ยร้อนแรงและก็มีแสงสว่างจ้าหรือก็เรียกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีแสงในตัวของมันเองโดยไม่ต้องอาศัยความสว่างจากจากสิ่งใดจากดาวดวงใดในในโลกใบนี้ซึ่งเราก็ได้พิเคราะห์ว่าชั้นฟ้าดวงอาทิตย์ที่อยู่เหนือพวกเราเนี่ยประโยชน์ของมันเนี่ยมีคุณค่าหมหาศาลซึ่งทุกวันนี้ สรรสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่ามนุษย์เราไม่มีไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทุกอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยได้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์มากมายแต่มนุษย์เราก็สามารถที่จะนําผ้าของเราที่ซักแล้วก็สามารถจะไปตากซึ่งแน่นอนผ้าที่ไม่โดนแสงอาทิตย์เนี่ยเราจะซักแล้วแต่ว่ากลิ่นของมันก็คงจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่ดวงอาทิตย์สามารถได้ประโยชน์ในเรื่องของ อาหารการตากอาหารแห้งต่างๆก็ได้ประโยชน์โดยที่มนุษย์เราเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเสียทองดวงอาทิตย์ให้ประโยชน์กับพืชผัก เ, เราป ล, ปลูกต้นไม้ผลไม้ป ล, ลูกผักถ้าไม่โดนแสงอาทิตย์แน่นอนผลไม้หรือผักเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะเติบโตไม่ได้แ ม, ม้กระทั้งมนุษย์เราเนี่ยที่มีชีวิตอยู่ในห้องที่ไม่โดนแสงอาทิตย์ก็จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพร่างกาย ฉะนั้นเราก็พยายามที่จะให้มนุษนย์น่ยพิเคราะห์ว่าสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวตัวของเขาเนี่ยที่เป็นเป็นสิ่งที่เป็นความปลดปลานที่พวกเขาได้มาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องออกอะไรแต่เป็นประโยชน์มากมายซึ่งประโยชน์เหล่านี้บางทีมนุษย์เราก็ไม่ได้คิดไม่ได้ไข้กลวนทางใดเช่นคนเราเวลาประสบกับหมูสีบ้าประสบกับสิ่งเลวร้ายในชีวิตเนี่ย คนเราก็จะมักจะมาคิดอยู่ว่าในสิ่งที่ตัวเองได้ประสบเช่นเราเกิดไม่สบายขึ้นมาเราก็ามาคิดถึงความไม่สบายคิดถึงความทุกข์ตรงนั้นแต่ว่าเนี่ยหมัดด้วยความปลดปลานอีกมากมายที่เราให้เราหลายหวันที่เราอยู่สบายหลายหวันที่เราอยู่สุขสบายฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยมักจะไม่เห็นคุณค่ากับสิ่ง ที่ตัวเองครอบครองอยู่เช่นในดิสหนึ่งของท่านนบีสุลตรอของอัสซาดได้กล่าวว่าเนี่มาแทนีมักบูนันฟีมากัซ um ีรุมินันนัสอัซฮัดวันฟารอท่านนบีบอกว่ามีความปลุดรานอยู่สองประการซึ่งเมื่อมอนุษย์เราเนี่ยครอบครองความปลุดรานสองประการนี้เนะี่ยท่านนบีบอกว่าคนส่วนมากนี่มักจะไม่เห็นคุณค่าของมันก็คืออัซฮัต ก็คือสุขภาพที่ดีวันฟอรอกและก็เวลาว่างซิ่งในดิสนีย์ท่านอบีบอกว่าคนเราเนี่ยเมื่อครอบครองสุขภาพที่ดีมีเวลาว่างคนจนมากเนี่ยคือจะไม่เอาประโยชน์ขณะที่ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขณะที่ตัวเองเนี่ยมีเวลาว่างอันมากมายซึ่งสุขภาพที่ดีเนี่ยถ้าเราคิดดูแล้วมันมีคุณค่ายิ่งกว่าการครอบครองทรัพย์สิน เงทองราะคนเราเนี่ยจะถึงจะเป็นมหาเศรษฐีถึงจะเป็นคนร่ํารวยแต่เมื่อเขาไม่สบายเงินทองที่เขาครอบครองทรัพย์สินมากมายที่เขามีอยู่เนี่ยก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆเขาไม่ต้องการอะไรทั้งหมดสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการที่จะให้หายจากความเจ็บป่วยและเช่นเดียวกันความเจ็บป่วยเนี่ยเวลาคนเราเนี่ยประสบกับความเจ็บป่วยเนี่ย เราก็ต้องใช้เงินใช้ทองในการที่จะไปรักษาเพื่อที่จะให้เรากลับมาสบายมีสุขภาพที่ดีฉะนั้นในยามที่เรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราก็พยายามที่จะต้องใช้ประโยชน์จากมันให้มากเช่นเดียวกันในขณะที่เราครอบครองเวลาความจริงเวลาเนี่ยก็คืออายุของเราเวลาที่เราครอบครองเนี่ยคือมันเป็นเป็นอายุของเรา เวลาของเราเวลาที่หมดไปในแต่ละวันก็คือเป็นการใช้จ่ายอายุของเราเนี่ยให้หมดไปเช่นเดียวกันฉะนั้นในวันหนึ่งเนี่ยเราจะเอาเวลาที่เรามีเนี่ยแลกกับสิ่งใดหรือเราจะปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆฉะนั้น2ประการนี้ท่านอบีก็ได้บอกว่าคนเราเนี่ยเมื่อกอบครองแล้วก็มักจะไม่ใช้มันไปในทางที่เกิดประโยชน์ เช่นเดียวกนเนื้อหมั ด, ด้วยความโปรดปรานอันมากมายที่อัลลอฮ์ได้ให้เนะี่ยมีคนจนํานวนมากที่มองไม่เห็นความโปรดปรานอันนี้ที่อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และเจ้าลาได้ให้ฉะนั้นอัลลอฮ์ก็พยายามที่จะนําสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมนุษย์เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้ใกล้ควรและก็ได้พีเคราะห์และนําไปสู่การสตักาการอิมานต่ออัลลอฮ์ س ب าน ن ه และเจ้าลา ต่อมาเราก็พยายามที่จะให้มนุษย์ใกล้กวนต่อไปว่าพระองค์เนี่ยได้สร้างสรรพสิ่งตารต่างๆในโลกนี้และก็ประโยชน์ของมันเนี่ยเป็นผลประโยชน์กับมนุษย์ทั้งสิ้นและก็อีกายาต่อมาลราสุภานจะได้กล่าวว่าว่าอันรัตนามีนันชิโรติมาอันสับจาะและเราได้หลั่งน้ำลงมาอย่างมากมายจากเมฆฝน ตรงนี้เราก็ได้บอกว่าต้นน้ําต่างๆที่มีอยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ําบ่อน้ําแม่น้ําน้าที่มนุษย์ได้กักเก็บไว้ที่มาของแหล่งน้ําก็คือพระองค์เนี่ยหลั่งมาจากฟากฟ้าโดยก้ อ, อนเมฆได้รวมตัวแล้วก็พระองค์ให้น้ํานั้นหลั่งลงมาก็คือให้มนุษย์ได้ใกล้ควรถึงเนื้อหมัดดวงอาทิตย์มีประโยชน์ขนาดไหนหลังจากนั้นพระองค์ก็ให้มนุษย์ปีเคราะห์ในเรื่องของน้ํา ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงประโยชน์ของแหล่งน้ําแหล่งน้ําใช้แหล่งน้ําดื่มโดยเฉพาะคนที่อยู่ในในชุมชนเมืองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยเขาจะดื่มหรือเขาจะใช้เนี่ยก็ต้องใช้เงินซื้อมาแต่ว่าคนอีกหลายๆที่ในโลกนี้ที่ครอบครองแหล่งน้ําซึ่งโดยสามารถเอามาดื่มเอามาใช้โดยที่ไม่ต้อง แลกด้วยกับเงินฉะนั้นน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์มนุษย์เรนยไม่สามารถจะกาดน้ำได้แม้กระตั้งสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างมาจะเป็นเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยถึงแม้มันจะเดินทํางานด้วยกับน้ํามันแต่ถ้าไม่มีน้ําเครื่องยนต์ก็ไม่สามารถจะเดินได้ถ้าขาดน้ําเครื่องยนต์ก็จะพังเช่นเดียวกันใน ร่างกายมนุษย์ในทุกสิ่งทุกอย่างในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆเนี่ยต้องอาศัยน้ําทั้งนั้นฉะนั้นเราองค์ก็พยายามที่ใจะให้มนุษย์เนี่ยไคล์กลวนคิดถึงธรรมชาติสิ่งต่างๆที่เราองค์สร้างมาอยู่รอบตัวมนุษย์เนี่ยว่าประโยชน์คุณค่าที่มนุษย์ได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเยอะแยะมากมายและมันเป็นเหตุผลให้มนุษย์ได้คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาโดย บางเอินหรือโดยที่ไม่มีผู้สร้างคนนั้นหรือเราพยายามที่จะไล่อายะต่างๆเหล่านี้มาเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้ใกล้ควรได้คิดและก็ได้สัตตาตอบพระองค์ต่อมาพระองค์ก็บอกว่าด้วยกับน้ำนั้นเนี่ยพระองค์ให้อะไรเกิดมาบ้างลีนุกรีเจบีฮัฮบบวนาบาชะและเพื่อว่าเราจะให้ พืชผักผลไม้ต่างๆได้งอกเงยมาด้วยกับน้ํานั้นซึ่งอายาเนล ก, ก็ได้บอกมนุษย์ว่าประโยชน์ของน้ําและก็เมื่อประองค์หลั่งน้ําลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ขับมนุษย์กับพันธุสัตว์ต่างๆเนี่ยก็คือมีพืชผักที่งอกเงยมาจากพื้นดินหลังจากที่ประงได้หลั่งน้ําฝนลงมาซึ่ง สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้มนุษย์ได้รู้จักประโยชน์ของน้ํามนุษย์ก็สามารถทํากา ร, กรเกษตรและก็ได้นําน้ํานั้นมาประกอบการอาชีพในกา ร, กรเกษตรนํามาใช้ในาสารพัดต่างๆฉะนั้นเราเห็นว่ า, าพืชปักที่ขึ้นมาเองโดยธรรมชาติที่มนุษย์ไม่ได้ทําการวิวัฒลูกมากมายที่อยู่ในป่าอยู่ในเขาที่มนุษย์สามารถที่จะได้ประโยชน์จาก การหลังมาของน้าฝนซึ่งแน่นอนถ้ารัศมีบัญราไม่ให้ฝนตกลงมาต่อให้มนุษย์ในโลกนี้มีชีวิตมีความตันสมัยมีเทคโนโลยีมากมายขนาดไหนก็มนุษย์ไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ฉะนั้นเทคโนโลยีหรือความเจริญของมนุษย์เนี่ยต่อยมนุษย์จะเจริญจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาได้แต่มนุษย์ก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติที่ เราสมมติว่าได้สร้างมาซึ่งตัวนี้เป็นการเชี่เห็นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่อ่อนแอที่ต้องพึ่งพาพระเจ้าของเขาอยู่อย่อยางสม่ำเสมอและด้วยกับน้ํานั้นเนี่ยเราก็ได้ให้อะไรอีกวายันแนทิลอันฟ้าฝ่าและจากน้ำเนี่ยก็ได้ก่อเกิดเลือกสวนอุมากมายนี่คือพระองค์ได้พูดถึงเรื่องน้ําแล้วก็พูดถึงประโยชน์ของน้ําที่มนุษย์ได้ประโยชน์จากน้ํา ประโยชน์กับตัวเองประโยชน์กับการเพราะปลูกทำมาต่ตางๆแล้สิ่งที่มนุษย์ได้กินได้รับประทานอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือผลประโยชน์ที่เกิดจากน้ําแล้วก็ได้พูดถึงเนี้อหมัดของพระองค์เนี่ยถ้าจะพูดกันจริงๆก็ไม่สามารถที่จะขนานนับได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอันแล้วก็ได้กล่าวถึงวันอะไรวันเกียร์มะลองได้กล่าวว่าอินนายามันฟัสลิกาณมีกอตา แต่จริงวันเดนการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกาหนดไว้แล้วหมายถึงวันเกียรมาเนี่ยเราได้กําหนดไว้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่แน่นอนวันเกียร์มาเนี่ยตามอัลีสของท่านอบีเนี่ยคือเกิดในวันศุกร์ซึ่งวันเกียรมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นวันไหนแต่ว่ามันได้ถูกกําหนดไว้แล้วซึ่งเป็นหนึ่งในความโปรดปรานของเราซึ่งพระหายนำมาจากอานา พระองค์เนี่ยได้ก่อนที่จะถึงวันเกียว ม, มาเนี่ยพระองค์ได้ให้มีสัญญาณต่างๆเกิดขึ้นสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่ซึ่งในยุค ข, ของท่นานนบีเนี่ยสุลต่าละห์อัลลอฮ์สัลลัมที่มีจิบรินเนี่ยมาถามท่านรอท่านบีสุลต่าละหว์อัลลอฮ์สัลลัมเนี่ยถามว่าวันเกียว ม, มาเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไรท่านนบีก็บอกว่าคนที่ถูกถามกับคนที่ถูกถามเนี่ยก็ ไม่รู้เหมือนเพราะเหมือนกันคำถามนี้คือระหว่างคนที่ถามกับคนต่กถามเนี่ยคือต่างคนต่างไม่รู้จิบลีนก็ได้ถามท่านนาบีสุลตานสลามว่าถ้าเช่นนั้นท่านให้บอกสัญญาณของวันเกียร์มามาซึ่งในดิสนั้นท่านนาบีก็ได้บอกไว้สองสามสัญญาณแต่า น, นาบีบอกว่าหนในสัญญาณหรือเครื่องหมายของวันเกียร์มาเนี่ยคือการที่ว่าถ้าหญิงได้คลอด นายของนางซึ่งในอะดิสนี้ก็มีสองนัยยะหมายถึงว่าผู้หญิงในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นทาสแล้วก็ได้เจ้านายของนางนก็มาร่วมหลับนอนกับกับนางแล้วก็นางเนี่ยทั้งท้องขึ้นมาแล้วก็ลูกที่เกิดมาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ใน ส, สถานะทาสลูกเนี่ยก็กลายเป็นเจ้านายเลยแม่เนี่ยก็ ยังคงเป็นสถานะของคื อ, อยังคงวินทั์เราอยังไม่ได้รับการปลดปล่อยแต่ในในัยหนึ่งก็บอกว่าสัญญาณวันเกิดก็คืออดิสนี้ก็หมายถึงว่าอคนในยุคหนึ่งเนี่ยจะคลอดลูกของมาลูกเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนกับพ่อแม่นี่เป็นทัดก็คือพ่อแม่เนี่รับใช้ลูกทุกสิ่งทุกอย่างดุดดังทัด นั่นก็คือเป็นสัญญาณของวันเกียร์วลูกต้องการอะไรลูกจะทําอะไรพ่อแม่เนี่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกโดยที่ลูกเนี่ยไม่ได้รับใช้พลนิบัติดูแลพ่อแม่ซึ่งมันสวนทางกันกันกบคําสอนของอิสลามที่อัลลอฮฺสุบานจาราได้กล่าวว่าวาบินวาบินวาลีได้เนียเซนะกับพ่อแม่ทั้งสองเนี่ยให้ให้ทําความดีซึ่งนั่นก็คือเป็นสัญญาณหนึ่งของวันเกียร์嘛 ต่อมาอีกสัญญาหนึ่งที่ท่านนาบดุลลาของอัสลามได้บอกไว้ในดิสนี้เนี่ยจะเห็นคนเนี่ยเปลือยกายไม่สวมรองเท้าซึ่งมีอาชีพเนี่ยเลี้ยงแพะยะตะทาวาลูนฟินบุญญานพวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะแข่งกันกันสร้างตึกสู ง, สงซึ่งในใ น, ในดิสนี้เนี่ยที่ขณะที่ท่านอับดมลลห์ของอัสสลามพูดเนี่ย ก็คือคนอมั ส, สยิดของท่านอาบดเนี่ยเป็นมั ส, สยิดที่สร้างมาจากต้นอินทรพาล์ลังแล้วก็คนอาหรับที่อยู่รอบๆนั้นก็ยังเป็นอาหรับที่ยากจนอาชีพก็คือเลี้ยงแพะเป็นความบอกในดิสนียเป็นการบอกถึงความยากจนของคนอาหรับอยู่ทะเลทรายเนี่ยไม่มีรองเท้าจะสวมไม่มีเสื้อจะใส่ถือว่าเป็นคนที่แรงแค้นยากจนมาก แต่นบีบอกว่าเมื่อสัญญาณหรือเครื่องหมายวันเกียร์มาจะเกิดขึ้นเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนสถานะเป็นบุคคลที่มีความมั่งคั่งมีความร่ารวยและครอบครองตึกราบ้านช่องที่สูง ก, ก็คือยาตตาวารูนฟินบุญญาซึ่งอดิสนี้เนี่ยเป็นโมอิสาดหรือเป็นอภิิหาณของท่านนาบี ส, ลลลสลุลตานลมเป็นปฏิหารของท่านนาบีสุลตานสลมที่ ได้บอกถึงอนาคตของชาวอารับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยชาวอารับที่ยากจนเนี่ยจะมีฐานะที่เปลี่ยนไปจากที่เคยเลี้ยงแพะในทะเลทรายก็จะกลายเป็นเจ้าของกิจการจะมีตึกราบ้านช่องต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าคนเราไปยังเคยไปตมหัสหรือไปอุมรอเนี่ยรอบๆอบมัสยิดของท่านนาบีกับยุคที่ยุคสมัยนี้กับยุคที่ท่านาบีพูดเนี่ยได้เปลี่ยนเป็น หน้ามือเป็นหลังมือซึ่งอาดับที่เคยมีอาชีพเลี้ยงแพะก็กลายเป็นเจ้าของตึกกลายเป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของกิจการต่างๆที่มีตัวธุรกิจตัวโลกซึ่งนั่นคือเครื่องหมายหนึ่งที่เป็นสัญญาณของหวันเกียร์มากก็คือสถานะของชนอาดับได้เปลี่ยนไปไล่มีฐานะที่ร่ารวยเป็นเจ้าของตึกและบ้านเจ้ามากมายและอีกมากมายที่ ได้กล่าวไว้ในฮะดิษอื่นที่ท่านนาบีได้บอกถึงสัญญาณของวันเกว่ามะเช่นในวันเกวยามะเนี่ยสัญญาณเล็กๆมันมีอะไรบ้างเช่นอะไรนบีก็ได้บอกในในสัญญาณเล็กเช่นวันเวลาในจะรวดเร็วแต่ก่อนอบุสมานมีการค่ากันด้วยกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมีเกิดการค้ามีตลาดมากมายผู้หญิง จะทำตัวเหมือนผู้ชายผู้ชายจะทำตัวเหมือนผู้หญิงซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูว่าผู้หญิงทำตัวเหมือนผู้ชายผู้ชายทำตัวเป็นผู้หญิงเนี่ยคือไม่ใช่แค่การเรียนแบบแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนเพศเลยหมายถึงว่าผู้ชายเนี่ยที่เกิดมาเป็นผู้ชายเนี่ยต้องการจะเป็นผู้หญิงก็สามารถจะผ่าตัดเปลี่ยนเปลี่ยนเพศแปลงเป็นเพศเลยผู้ชายก็เปลี่ยนได้ซึ่ง พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยคนถ้ามีลูกหลานเนี่ยท่นานนับีบอกว่าท่นานอบีเนี่ยสาบแช่งคนที่คนที่เป็นผู้ชายแล้วก็ไปเรียนแบบผู้หญิงคนที่เป็นผู้หญิงแล้วไปเรียนแบบผู้ชายซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสังเกตในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยในอดีตเราจะไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ปัจจุบันนี่เราเห็นว่าการเบี่ยงเบนทางเพศของคนเนี่ยเกิดขึ้นเยอะ คนเราบางทีมีลูกหลานเป็นผู้หญิงแต่อยากจะเป็นผู้ชายก็ไปตัดผมมีทรงผมแต่งตัวทุกอย่างเป็นผู้ชายแต่เราที่เป็นพ่อแม่เนี่ยก็สามารถจะดูอยู่ได้ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้หนึ่งก็คือเป็นสัญญาณหรือเป็นเครื่องหมายของวรรกียร้มาอีกประการหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มคนที่ท่านนาบียรสาบแช่งผู้ชายที่ทําตัวเป็นผู้หญิงเรียนแบบผู้หญิงผู้หญิงที่เรียนแบบผู้ชายเนี่ยท่านอบียรสาบแช่ง สับเช่นก็คืออัตตอดูมีรักมาติละก็คืออ้าเราจะไม่สงสารอ้าเราก็จะไม่เมตตาฉะนั้นคนที่มีลูกหลานที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่างเพศเนี่ยเขาก็จะต้องอะไรจะต้องอ้าจะต้องพยายามนะเสียดตักเตือนจะต้องต่อต้านจะต้องไม่ให้ลูกหลานมีพฤติกรรมเหล่านี้ซึ่งสัญญาณอีกมากมายที่เป็นสัญญาณของวันเกียร์มะฉะนั้นวันเกียรมะเนี่ยอ้าเราก็ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรซึ่งไม่มีใครสามารถจะล่วงรู้ได้แต่เราก็สามารถจะล่วงรู้ได้ด้วยกับสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นเรืกประการที่เป็นสัญญาณของมันกีมากก็คืออินดิชั่นคอมวัซินาสิ่งมึนเมาเนี่ยมันแพร่หลายและก็การผิดประวินีก็แพร่หลายซึ่งสิ่งมึนเมาปัจจุบันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่า ในสังคมเราเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ติดยาเสพติดจํานวนมากและก็แพร่หลายทุกหย่อมญ้าและก็เป็นการการหาซื้อและเป็นการขายกันแบบสะดวกซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณบอกถึงวันเกียรมาเช่นเดียวกันและก็วันเกียรมาเนี่ยจะมีสภาพอย่างไรเลสราสมัจจาระก็ได้บอกถึงสภาพของวันเกียรมา โดยทพระองบอกว่าย้ามายุนฟักุฟิสุรฟะตะตูนะอัฟไลจ์ในวันเกิยม้เนี่ยวันที่แต่ตูกเป่าแล้วพวกเจ้าจะมารวมกันเป็นมูมูซึ่งในวันเกียยมะาเนี่คือจะมีการเป่าสังหรือแต่ดังขึ้นมาแล้วก็มนุษย์ที่เคยเสียชีวิตไปเนี่ยก็จะฟื้นคืนชีพซึ่งบรรดาเราซูนต่างๆนี่ก็จะฟื้นคืนชีพมาพร้อมกับอุมาประชาชาติต่างๆที่ติดตาม ว่าฟิอัติสมาฟักทะนัตอับวาบาและในวันเกียมะเนชั้นฟ้าจะถูกเปิดออกแล้วก็จะมีประตูหลายบานชั้นฟ้าที่เรามองเห็นเนี่ยก็จะถูกเปิดแล้วก็มีประตูต่างๆหลายบานไม้แกก็จะลงมาจากประตูเหล่านั้นเพื่อลงมาทําการปิบากษามนุษย์ในวันเกี่ยมาที่ที่ทุกคนจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายแล้วก็ ทุกเครื่องาวที่ถูกบันทีกก็จะถูกทาการสอบสวนในวันเกียรมาวัซเยราตินจิบาลูฟากานา ส, สราบาและในวันเกียรมาเนี่ยเทือกเขาจะถูกเคลื่อนออกแล้วก็กลายเป็นภาพลงตาหมายถึงว่าภูเขาต่างๆนี่ก็จะถูกให้แตกเรีววั่นเหมือนกับว่าตรงนั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยซึ่งในสภาพของวันเกียรมานั้น อินนจัฮันนมกะนัดมิรสซอดาแต่จริงนรกยานนำนั้นเป็นสิ่งที่สองสองหมายถึงว่าคนเราที่ทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอ่าสิ่งที่ไม่ดีสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องไปอยู่ในนรกยานนำจะต้องถูกลงโทษอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ลิตเตอรี่เนมอาบาเป็นที่กลับไปสําหรับผู้ที่ละเมิดหมายถึงว่าคนที่มาใช้ชีวิตในโลกใบนี้เนี่ยมันก็มีอยู่หลายประเภท คนกลุ่มหนึ่งก็ได้ปฏิเสธศรัทธาไม่เชื่อต่อลอสุบะตลาไม่ปฏิบัติตามหลักการอันอิสลามไม่ยอมรับรอซูมแต่คนหนึ่งก็ยอมรับเป็นมุสลิมแล้วก็มุสลิมบางคนก็ประกอบการงานที่ดีไม่กระทําสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออลอสุบะฮ์อัลาราแต่มุสลิมบางคนเนี้ยก็ได้กระทําสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืน ซึ่งการกระทำนั้นบางครั้งก็เป็นบาปใหญ่ที่ไม่ไม่นำไปสู่การหมดสภาพจากการเป็นมุสลิมซึ่งมุสลิมที่ทำบาปใหญ่เนี่ยในไปในวัดเกียรมาเนี่ยคือถ้าเขาไม่ทำการตบบาศสำนึกผิดอ่าอัก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของเราสุภาพนาแต่ละที่จะลงโทษหรือจะให้เขาเข้านรกหรือจะลงโทษเขาแล้วก็เมื่อหม ด, หมดจากโทษ ที่เขาทำผิดก็เขาได้ออกจากนรกและก็เข้าสู่สวรรค์ก็รัสมะะัชฌะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนเราจะต้องตอบแทนตามกาญนานตามอามานต่างๆที่เราได้ทำไว้ละบีซีนาฟีอาอัคกอบซึ่งคนที่จะเข้าไปอยู่ในนรกนั้นจะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเป็นเวลานานซึ่งในวันเกียร์มาเนี่ยเขาเรียกว่า วันหนึ่งเนี่ยมีเป็นวันเวลาที่ยาวนานมากฉะนั้นเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นมุสลิมจะเป็นคนที่ทำบาปที่เป็นบาปใหญ่แต่เมื่อเข้าไปนรกของลอสุบะฮานอัลตาลานั้นมันไม่ใช่ความยาวนานเหมือนกับคนที่ติดคุกห้าปีสิบปีหรือติดคุกตลอดชีวิตแต่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากส่วนบุคคลที่ไม่ได้อีิมานไม่ได้สัตตาต่อลอสุบะฮานอัลตาลาเนี่ย เขาจะต้องอยู่ในข้อลีดีนาเฟียเขาจะต้องอยู่ในนรกตลอดการไม่สามารถที่จะออกมาได้ต่อมาเราก็ได้บอกถึงสภาพของนรกลองได้กล่าวว่า <_ S 1> <_ S 2> ลายาซูกูนาฟิฮาบัร l a วลาชราบพวกาเขาจะไม่ได้ริมรสความเย็นและเครื่องดื่มใดๆในนรกนี่คือสิ่งที่เมื่อเข้าไปสู่นรกแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมาน ซึ่งจะกินน้ําเย็นๆจะกินเครื่องดื่มเหมือนเราอยู่ในโลกเดินยาเนี่ยจะกินโน ก, กินนี่ให้สบายให้มีความสุขก็ไม่สามารถจะกระทำได้สิ่งที่มีเป็นอาหารเมื่อคนเราเข้าไปนรกแล้วอินลาฮามีมอวะกัสซากออาหารที่เป็นอาหารที่อัลลอฮฺจะเตรียมไว้ให้กับชาวนารกนั้นก็คือน้ําที่เดือดและน้ําเลือดน้ําหนองเท่านั้นนี่คืออาหารที่จะได้รับประทานในนรก ซึ่งอานเหล่านี้แลยยกนี้อาาหในนรกนี่เนะี่ยคือไม่ทําให้อิ่มไม่ทําให้อ้วนนี่คือสิ่งที่คนเราเมื่อถูกตัดสินให้เข้านรกไปแล้วก็จะอยู่ด้วยกับความทรมานฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราบอกว่ายเซอรวีฟากอเป็นการตอบแทนที่คู่ควรกับคนที่ ที่อะไรที่ปฏิเสธที่ไม่อิมานต่อ Allah. เราหรือว่าบุคคลที่อยู่ในโลกนี้ก็ไม่ก้อยกระทําสิ่งที่เป็นความดีทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานาะมะจ ah um ah ัลลาอินนะฮุมกานูลายารจูนะฮิซาบะเพราะพวกเขาไม่ได้หวังมีการชําระสอบสวนวาเกซะบูบิอาญาตินากิฏาบะและพวกเขาปฏิเสธสัญญาต่างๆของเราอย่างสิ้นเชิงวาคุลละเชยินอัซไซนาหู กีตาราเรตทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราได้ชรลึกมันไว้อย่างครบถ้วนในบันทึ ก, กซึ่งอัลลอ่ได้กล่าวตัวนี้ก็คือกล่าวถึงคนที่ปฏิเสธต่อพระองค์ที่ไม่เชื่อในสิ่งที่เต้านรอยซู ล, ลุะละสลัมได้นํามาบทสรุปสุดท้ายเมื่อเขาเสียชีวิตไปเมื่อเขาฟื้นต้นชีพเขาก็จะถูกลงโทษอยู่ในนรกเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันมุสลิมเราอีกจํานวนมากในโลกนี้ที่ใช้ชีวิตหมกมุ่นอยู่กับโลกดุนยาจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะ มาทำความเข้าใจที่จะมาเรียนรู้ในศาสนาที่จะปฏิบัติในศาสนาบางทีพอจะพูดจะพูดจะปฏิบัติศาสนาเนี่ยมักจะได้รับกร้างว่าไม่มีเวลาแต่ความจริงเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเวลาเวลามีแต่ไม่ได้มาใช้ในเรื่องนี้ต่างหากฉะนั้นการใช้ชีวิตของเราในโลกนี้ถ้าเราเผลอเร่อแน่นอนเราก็จะกลายเป็นผู้หนึ่งที่ขาดทุนซึ่ง ในสุรตาตกาสุนเนี่ยที่อาร้อได้กล่าวถึงคนที่หมกมุ่นอยู่กับโลกดุนยาที่ไม่พยายามสะสมความดีเนี่ ย, ยที่อาร้อได้กล่าวไว้ในสุรตาตกาสุนเนี่ยอันเากุมุตตะการสุนหมายถึงว่าการสะสมการแสวงหาปัจจยังชีพทรัพย์สินสมบัติเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยพวกเจ้าในเผ่าเรือนฮัตตาซุลตุมุลมากอบิดจนกระทั่งว่าพวกเจ้าเนี่ยมารู้สึกตัวอีกทีพวก พวกเช่าเนี่ยก็มาอยู่ในหลุมฝังศพแล้วมาอยู่เบื้องหน้ามาเลาย์กาที่สอบสวนเราการกระทําของเราฉะนั้นเราอยู่ในโลกใบ น, นี้ก็พยายามอย่าให้การงานหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยาเนี่ยแต่ให้เราลืมที่จะทําความดีที่จะลืมสร้างสะเบียงที่จะนําเราไปสู่โลกหน้าฉะนั้นในดิสหนึ่งเนี่ยท่านอาบีได้พูดถึงคนที่มี คนที่ฉลาดในในศาสนะของ islam เนี่ยท่านอบีได้กล่าวว่าอันเคยิสมันดาานับซะหุวาอามีลาบะดันมจ์ท่านอบดบอกว่าอันกคยิสคือคนที่ฉลาดเนี่ยคนที่สํารวจตัวเองสํารวจก็บกพร่องของตัวเองและคนที่เตรียมตัวที่ในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ยเขาก็ทําการงานที่อะไรยังประโยชน์ให้เขาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปในโลกนี้ ก็คสรุปง่ายๆว่าคนที่ฉลาดเนี่ยเขาทำดุนยาของเขาสวยงาปฏิอาอย่างชีพมีเงินมีตทองมีทุกสิ่งทุกอย่างใช้สะดวกแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะสร้างการงานที่ยั่งยืนที่จะก่อประโยชน์ให้กับเขาหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปอันนี้คือคนที่ฉลาดฉะนั้นการทำความเข้าใจกับสัสานารของอลอนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสาคัญวันที่ ท่านนบีสลุลต่านสุลามได้กล่าวว่าไม่ยูรใดินแล้วไม่ยูรใดินแล้วบีไข่รันยุฟกิฮูฟิดดินบุคคลใดที่เราประสงค์ให้เขาได้รับความดีเนี่ยยุฟกิฮูฟิดดินพระองค์ก็จะให้เขาได้เข้าใจในศาสนาะซึ่งคําว่าเข้าใจศาสนาก็คือหมายถึงว่าเมื่อเขาได้รับความรู้สิ่งต่างๆในเรื่องศาสนาเนี่ยเขาจะนำสิ่งนั้นไปปฏิบัติเพื่อที่จะก่อขดก่อเกิดประโยชน์ให้กับเขาทั้งโลกนี้และก็โลกหน้า ก็สาหรับในตับซในสุรอนนบะในวันนี้ก็คงจะพบปะพูดคุยกับพี่น้องไว้เพียงคนี้เาในวันต่อไปเราก็จะได้นาเสนออายะต่อไปสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้วัสลลัลลอฮฺองลาอบีณามุฮัมมัดวะอัลีวะอัชฮะบีอัจมัยน์อะลัยุมวะามะุลลอฮวะบรกาตุ